ต่างๆไปฟังนะเอาใจฟังให้เหนะฟังฟังทำให้เข้าใจในทำมันจะได้สาระคือแก่นเหมือ น, นเมือนเราก็ไม่เข้าที่กัน เราก็ได้แต่เปลือกได้แค่กระพี่มันไม่เข้าที่กนันไปซะของต้นไม้แต่เมื่อตัวเราได้ต้นไม้เป็นคนตราตนจักแจนกาตาจนซีเสาะูันถึงเป็นส่วนสูงมันต้นไม้เหมือนกัน ตนน้นไมมันจะมีอลกลัวจะดูดเองคนาด่างมันใช่เวลเรามนุษย์หรือคนเราเช่นดียวกัน อ, อยจะเข้าใจสิ่งสัพพะิปัญญาหรือต้นมาสิ่งนนคือการดำไปชิดจังววนขาดคิดจั ง, งวนงวะเราขาดสิ่งเพื่อมาเปนสิ่งนง อันไม่ได้มีผลแค่ชาตินี้ชาติเดียวมันมีผลอีกชาตานึงจัดต่อไปวเช้าเราพูดถึงว่าคนเราทุกคนจะเกิดมาบนโลกใบนี้ที่เกิดมาแล้วเพร า, าพราะพุทธศาสนาที่หมายก็ว่าคนที่ ยังมีความหวังที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติของคือมีนิสัยวา่าฉลาบารังนี้ยิงได้มาเจอพระพาสธศาสนาบหลางคนเจ็ดปดพันล้านคนไม่ได้เจออย่างพวกเราไม่ได้เชื่ออย่างพวกเราี่คือคนที่ส่งของสิ ต่อเทวดาอินทร์พงเขาอยู่กับรูปอรูปที่เลือกยากเลือกยากเขาช่วยไมรอดไม่ได้เขาก็ยังปรารถนาขอ่เป็นมนุษย์อยากจะเป็นคนเพื่อบา ม, มเป็นมางแต่ทําไม่ได้ไปสวอิสร็จวัะนั้นเราเป็นคนเป็นมนุษย์เราเลือกได้มีความโชคดีเขาโชคดีต่าไปก็คือ มาจากนี้เราพบวัฒนธสนาแด้เขาใจได้เรียนรู้ได้ยืนใต้กังเพื่อการเชื่อเพื่การเชื่อที่เราจะไปและล้มลุกปฏิบัติอย่างเช่นพวกเราเขาเรายังมีโอกาสยังเป็นลิสัยพื้นฐานตรงนี้พวกเรายังไม่เป็นไหนมาน่อยอย่างนั้นก็กลับมา มันเป็นต่อทัหแต่ถ้าไม่มีศิลเป็นพื้ น, น, น, น, น, นบบของเลยนก็อันตรายคืจิตออกจากรางเลยสภาพแล้วมันก็จะไหลไปตามพภูมคือชั้นพบก็คื อ, คอกรมอพบรูปภพภอาบภพภพรูปภพภพอาบภพก็คือจิตฌานผู้ได้ฌานได้การปฏิบัตินั่นคือาาคอาบุภะภพอาบุตรกรรมาบภพนี่กัน บ, บุตเรา รู้สัพพะสัตว์ทั้งหลายยึดคำมาเกิดในการมาพบขักันเต่ทำอย่างพวกเราไม่ได้คิดอย่างพวกเราไม่ได้เป็นอย่างพวกเราไม่ได้ไม่ถือว่าโชคดีที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนถ้าเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เอาไว้มันจะได้เกิดความไม่ประมาในแต่ละวันนะไม่งั้นมันก็จะไหลไปไปดับเหมือนพวกเขาเหมือนจางมาพูกคอยหมูหมากาไก่พวกตรงตรงนั้น มนี้ท่าสีกาห้ามมือพวกเราหม ด, มด แ, แต่ไม่ได้ประโยชน์ะไยจากผ่าสีค ร, รับก็ดาแต่กินกามเกลียดเกลียดท็ไม่านี้กินเป็นกอร์งกินก็ไม่ต้อไปพูดถึงวิธีการกามก็วนกันไม่เลือกพามนุษย์เป็นมนุษย์เขามันก็ไม่ต่างกันความแตกต่างระหว่างื่อคนวันนี้เพราะนาสศึกษนี่เป็นตัวชี่วบัด เพราะฉะนั้นแต่ละวันให้นึกถึงเสียงเป็นมาครฐานเสงปื๊ดวันนี้อาจจะไม่ครบก็ไม่เป็นไรขอให้มีสาข้อ4ขอีข้อก็ยังดีแต่เราก็จะได้นักถึงคนที่ดีย่าเป็นคนอยู่ผู้โด่งแต่เป็นเขาเป็นมนุษย์ถ้าใจเล็กเนื้อต่นัน้นจะเป็นรองคือมันเป็นส่ ถ้าประเสริฐยิ่งกว่าพระอีกต่อยนื่องก็ไปเป็นชั้นโจวกว่าอริยะมันปเป็นยิ่งทรงยิ่งกว่าพระยอย่างไม่เห็นที่ใจให้ใจมันคิดไม่เป็นการเลื่อนรูปกับนามไม่เป็นยังแยกไม่ออกว่าอันนี้คือรูปเนาะนนี้คือนามเนาะมันแยกไม่ได้ถ้ามัแยกไม่มได้ก็แยกมันด้วยปัญญ รันการปฏิบัติการรมองปฏิบัตาร้นรรเพือสตินั่นคือขวามร้อนแรงยังไงก็ได้ให้มีสติอยู่กับตัวหลักการวิธีการอย่างไงก็ได้ไม่อยากเป็นวันอย่างนั้นดีอย่างนั้นไม่ดีไม่เกี่ยวครับขอให้มีสติแล้วก็สติต่อเนื่องด้วยดังนี้แบบมีบางในมีบางในคือสติไษาสอนคือสมาธิเป็นหลักทุกทิศทางทุกเก็บรวมมัน ไม่หวันไหวไปตามสัญญาอะไรช่วยเกิดปัญญาคือรู้ด้วยตนเองเคือเป็นเจนโดยเจนแบบจริงด้วยวันแบบจรรู้อะไรก็ ร, รู้ได้้กันทั้งนั้รู้อะไรรู้รูปรู้นาม ร, ร, รู้รู้เสร็จแล้วก็รู้เป็นไปทุกความละอวามป่อยวางรู้ความเบื่นหน่ายคลายกำ ห, าาหานนั่งเป็นเรื่องสุดที่สุดเพราะอื่นเขาไม่มีอย่างพเราแต่ความเราอ่ะ เป็นความพบมนุษย์อุดมโหสถเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราโชคดีอย่าไปเช่เราโชคร้ายนะเมื่อเราโชคดีที่สแล้ ว, ว, แ, ลวแต่ในความโชคดีนะเราไม่ลงมือปฏิบัติเลยปล่อยปาละเลยปล่อยปล่อยวันเดินปีไปทางไปทื่ไห น, น, นกั น, นับของได้วันได้เดือนได้ปีก็คืออายุอายุในวัตนยต้นในวัยกลางในวัยปลาย ไว้ต้นต้องพูดถึงคือคนที่สะสนใจเรื่ อ, องนี้มัมีน้อยโดยไวในวุฒิภาวะมันมีน้อยคพ น, น, นั่นไวต้นหมดไปแล้วที่จะรู้เรื่องธรรมะยากสมรรถตังที่หกสิบยี่สิบสี่สิบหกสิบไวต้นยี่สิบปีหมดไปโดยไม่รู้จักธรรมะธรรมะคืออะไรชีวิตคืออะไรหมดไปยี่สิบปีที่เขาไปทางาน ยึดจุดกลางทํางานงานหลังจากลงมือปฏิบัติบอกไม่มีห้ละหมดไปยึดจุดตัวหลังหลังจากนั้นก็กระเสียนหมดว่ารพุดระวังสตาปหลญาใจจิตใจอื่นๆควาพร้อมลูกก็โอวยังนางก็เอวยมันก็อยากแล้วในการปฏิบัติผลกัปรปฏิบัติก็ยาก เพราะนั่นการที่เราจะเห็นตัวเองเิดรียนรู้ตัวเองเวลาไม่น้อยน้อยมากเราไ ม, มหาเวลาปฏิบัติเรียนรู้อย่างจริงจังมันเปิด น, น้อยยิ่งชีวิตของมนุษย์หรือว่าคนในปัจจุบัน อ, อ, อายุก็สั้นลงยี่สิบห้าสิบหกสิบไปแล้ว ลอมไปดูสภาพที่มันไม่อะไรเลยจะนึกเจออะไรก็ไม่ไดไาดเลยวันอะไรงนั้นพวกเราตัวเร า, เาโชอีกันี่ควมไม่ประมานั้นก็ะชวยเป็นผู้ประมาทในวัยในชีวมันไม่ได้ยกเว้นสภาะข้านึ่อยากโยมความเป็นความตายมันไม่ีการยกเว้นเลยพวกอยงเราไม่นึกถึงเลย ไม่ได้ถึงตั้งแต่รวมต้นทำกลางปึงท้ายปลายทางเราไม่ได้เลือถึงเลยนี่นก็เยอะลำบากคือมองไม่เห็นเป้าหมายปลายทางของชีวิตลำบากกระดั้นกวเราถือว่าโชคดีใช่ไหมวันพ้าวันเสาร์หนึ่งก็มาเพื่อให้คือความต่อเนื่องในการปฏิบัติ ได่ยึดในังกัที่เดียนกันคือให้เขาใจเรื่องรูปเรื่องนามรืองปาเรื่ ง, รงจิตของตัวเองอ้ม น, นมากขึ้นที่จะ ม, มากกว่าในพ่อรูปนามคือกติกาห้า น, นี้เติเป็น่ใจในการเกิดมาเป็นคนในมนุถ้านีความเข้าใจซิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความเสื่อมความชื้นหาไปของมันเพราะสังารทั้งหมดทั้งปวงเรื่การเกิดขึ้นเการดับไป สอมันพามันคือท่าสี่ั้นวางนเส้นขอบพุทธคพูดการกระทำยกขึ้นมาลองคิดตรงนี้มันก็มีภาา้วหรอกคือคิดเึงเก่าเรื่องแกแต่สถิตามไม่ทางวางระดัาคิดึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอันนี้ก็เระ่วาเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เรื่องที่เป็นปัจจุบัน เราไม่ค่อยคิดครลางการปฏิบัติธรรมเขื่อต้องการให้เราอยู่กับปัจจุบันมามากโดยจุดที่เราฟังเมื่อจิดอยู่กับปัจจุบันนั่นคือจิตอยู่กับความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่กับรูปวิธารเวทนาต่างในขณะนั้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาโอเคค่ะเวทนาให้เห็นว่อสุขเวทนาและวุกขเวทนาม่เป็นหน้าที่เราอารมณ์ดังนั้นทระนะ เพื่อไม่ใหมารหันหลมทุกขเวทนาก็เช่นเดีกเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสับพายะโดยสภาพว่าจุดมันเป็นยังไงสภาพของกายเป็นยังไงก็กันให้เราเรียนรู้เมื่อมันเกิดแล้วมันจะทํากรรมอะไรแล้ก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเขากรรมเป็นตัวชีวิตเขาเวทนา สัญญาก็เช่นเดียวกันคือความจำได้หมายรู้สัญญาที่เป็นอดีตสัญญาที่เป็นอนาคตสัญญาปัจจุบันให้มันดูว่าสัญญาที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นมันเป็นเรื่องเก่าแก่หรือยังไม่มาถึงเรื่องปัจจุบันผู้จ้างบอกให้เราอยู่กับปัจจุบันนั่นคือเป้าหมายเลยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันสัญญาที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่สัญญาที่เป็นอดีต คือเป็นอนาคตคือขนทั่วไปก็อยู่ไปไง น, นีอยู่ไปทางสัญญสังขารสังขารคือกายสังขารมันอยู่ในกายในั่นแหละมันคิดมันปรุงมันแปลเป็นปรเรื่องของกายกายของใครกายของตัวเองหรือตาของคนอืน่นให้เข้าใจง่้ยๆนัก็คือสติคือรู้แล้วนึกถึงได้ว่อ๋นี่เป็นกายสังขารและเป็นสังขาร ข, ของคนอื่นเช่นนึกถึงเรื่องคนอื่น ผูนท <heute> <laughs> okay. hmm. ุอย่ากับเราเขาปลอยเข้าใจแล้วเป็นสาขาเขาไปเองเข้าใจในสาขาต่างๆวัตถางมโนสังสารนี่จะเปิมาเขาเรียกคือจะเปิดการกระทํางม้แต่มโนกัก็ถือว่าเป็นสองอย่ากลับเข้าจากมโนเป็นมโนกรรมทุกิดจะใจและคิดตัวใหญ่ตัวสาคัญจซ้อนเอาไว้ โมโนสังขารที่ใจมันดึกใจมันปรุงมันแต่งพไปแม้ตามันหลับหูไม่ได้ยินแต่ใจมันปรุงมันแต่งมันก็ปรุงเรื่องอะไรปรุงเรื่องตัวเองปรุงเรื่องตัวเอนท่านหายเจ้าธรรมะทุ่งมาท่อเห็นธรรมะให้เป็นธรรมะว่าจิตในตัวเราตัวเขาก็ตามโดยเฉพาะตัวเราเอาตัวเราให้เป็นธรรมะให้ได้เป็นหล่งให้ได้เอาตัวเราให้เป็นความจริงให้ได้คือสัจจะ ให้ได้สักการยินดานจิตการรับรู้มันกระทบมันเกิดรับรู้ขึ้นมาแล้วผลการรับรู้เป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นจะทำา อ, อารมณ์เพื่ออารมณ์ของธรรมยกขึ้นมาให้มันเป็นธรรมเพื่อว่าเป็นธรรมะปัญญาก็จะเกิดขึ้การขั้นตอนคือสติสมาธิปัญญาขอให้มันต่อเ น, นื่อง แล้วก็เห็นชิ้นนี้นโดยสระระะมบูรณความจริงให้ใจของเราดูความันจริงเมื่อใครอยู่กับคจริงแล้วก็ใจมันจะเป็นกลางคือมันจะวางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาทั้งยาท่าขาเมื่อทีอุเบกขาลมอุเบกขาอยู่ในนั้นเหมือนขา อ, อุเบกข า, านั้นนี่มันเกิดขึ้นคือมันวางได้อืมนี่คือสองเมื่อวางไม่ได้มันก็เก็บเก็บทุกอย่าง ทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาคือทั้งชอบสิ่งที่ชอบมันก็เก็บสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็เก็บเก็บทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่ในใจสรุปก็คือใจมีทั้งสุขและทุกข์อยู่ในใจเราอันนี้ต้องถาว่ายกอุปนิยาเขึ้ น, านมาพุทธังสละดังกระจ่างนี่อุปนิย่าสอนอะไรอุปนิย่สอนอะไรในอริยเกษตรพูดถึงอะไรอุปนิย่สอนเรื่องถูกแล้วเข้าใจทุกข์มากหรือกระดังม ในชีวิตวันจําวันเขาอะไรถ้ามันไม่เห็นทุกข์ไม่เห็ว่าเอเกิดมาแล้วมันทุกข์ตงไหนแล้วันเกิดปัญญาทุกทั้งของเราของเขาไม่ว่าจะเป็นรูปก็ตามนามก็ตามมองไม่เห็นนั่นเป็นทุกข์ตรงไหนแต่ทุกข์ตัวนี้มนมาจากของมันลอยมาจากอากาศมันเกิดมันมาจากอะไรในพูยากรรณาไปถึงต้นต่อก็คือวัดตัทุกข์หนึ่งทุกข์นั้นเป็นผล มันไม่ใช่เหตุเหตุที่มันก็คือตันหองคือความอยากอยากได้อยากมีอะไรเป็นดังอาตุสัโรรสมหะโลภะตุสังโมหะนื่เป็นต้นต่อมันไปที่เส้นสุดคือหัวใจละ ว, วิธีการก็คือคทุกสุขตาทุกโกรธทาอย่างไรถึงจะดับโยธาจึงบทำไมถึงจะดับไปทาไมถึงจะเห็นการเกิดกดับ เขาสื่อเรานี่เช่นความโลภความโลภเกิดขึ้นเราเห็นอนิสงฆ์เห็โทษความโลภหรือยังความโลภมันไม่เกี่ยวอะไรถ้าเรายังไม่เห็นอยู่เหินคุณเห็นโทษของมันาะความโลภเหมือนเช่นเราสอนบอกว่าเดี๋ยวไปเชื่อตาราในกรรมกลามาสุดนี่คือความหมายเดี๋ไปเชื่อ ไม่เชื่อว่าเช่นความโลภเกิดขึ้นอะไรมัญหาอย่างไงลองเกิดขึ้นกับตัวเองดูว่าเราจิตเราตื่นความโลภขึ้นมาหรือจิตเรามีความโกรธขึ้นมาเรารู้จักมันไง้ยเราก็กลมมันไหยเราสามารถทําให้มันดับไหมเราจะเ ช, ชื่อแล้วเชื่ออยังเชื่อตำลาหรือยังเชื่อเพื่อยางหรือยังถ้าเราไ ม, ม่อะไรเกิดขึ้นเลยกับอันนี้เรียกว่าปฏิบัติยังไม่ได้ผล ยังไม่เห็นและถ้าได้เห็นจริงๆเราต้องเห็นว่าเออความโกรธมันเป็นอย่างนี้นมันมีโทษนะมันมันเป็นความร้อนเหมือนไฟมันเผาทั้งตัวเองเผาทั้งคนอื่นนั่นคือถ้าเราเชื่อมันว่าความโกรธมันไม่ดีถ้าเราเชื่อแล้วถ้าเราหาวิธีดับจะไปสร้างฟืนสร้างไฟจะไปเพิ่มฟืนเพิ่มไฟจะไปเพิ่มเชื้ อ, อ, อ, อ, อมันร้อนมากกว่าเก่าให้มันดับ น, นั้นคือปร้โยชหาวิธีดับ ดับอะไรดับทุกที่ในใจของเราวิธีดับท่านก็บอกกับเราเว่ า, าคือขนทาง ว, วิธีปฏิบัติในการวางชีวิตมันก็คือลดต้นใจศีลแนนะ้ะสองคือสมาธิปัญญาวิธีดับศีลจริงจริงมันมัตตประยุกต์อย่างเราเหมือนตอนนี้เรานั่งแล้วโ ล, วลตาเสร็จมันเป็นศีลปฏิบัติเพื่อคุรสมบัตกายวาจาตัวเองได้ ผมไม่ต้องไปอ้อนบอลไม่ต้องไปขอจากพ่อมันเป็นสิ่งอัตโนมัติในทางปฏิบัติไม่ต้องไปคิดมากสมาธิเนี่ยจำเป็นต้องสร้างขึ้นเราจะเกิดสติเราสร้างสติเพื่อให้เกิดสมาธิสติมันต้องต่อนเนื่องก่อนให้มันยื่งกัอนอยู่กับอารมณ์อะไรนั่นอย่างเช่นลมหายใจสติปัญญาให้ขึ้นก่อนเช่นเดียวกันลมหายใจเขาดูให้ค่อยๆให้ออกเมื่อพระดีแล้วเราพูดถึงลมหายใจ ดูลำหายใจก็เอ๋ยให้ได้หายใจเข้าหายใจออกหายใจสั้นหายใจยาวทำยังไงมันสบายหายใจไปจมูกศีรษะลำคอลองอท้องขันตอนอื่องนี้คือกบบให้เรามีสติว่ามันอยู่ตรงไหนมาถึงไหนแล้วแต่ทีนีกันไป ก, การควบคุมการเต้นกับหัวใจของเราควบคุมเลือดที่อยู่ในเราหัวใจมาเต้นน้อยลงสุขภาพก็ดี เราก็คุยกันล อ, อ, องชี้ประจรมันเป็นน้อยลงตรงข้ามตั้งหัวใจมันเป็นเร็วเลือดมันก็สูบสีดเร็วขึ้นทำให้เส้นเลือดฝอยอะไรในสมองแตกเขาก็เห็นเลยเพราะว่าสมองคนห น, น, น, นึ่งคือเครื่องมือเครื่องจักรคนเร็วสมองคนมันก็จะสั่งอะไรก็สมองมก็จะสั่งตั้มเลือดฝอป สูงหัวใจเราสังเกตเพมานั้นการนั่งสมาธิเราจะสังเกตว่าถ้าเราผ่อนลมหยาบกลางเหืียดเกิดเรความเครียดความเครียดลดนั้ลมดูสังเกตจากหน้าผางจากเมื่อก่อนเรานณยที่เราจะไม่นั่งสมาธิมันจะตึงมันจะเครียดเพราะเราพนเราจะนั่งมันแค่ผ่อนฟ้ครับเกี่ยหน้าผากก็จะไม่ย่นในทําให้ชะลอความเครียดแล้วยิงจะสุขภาพก็ แล้วมันมีกิ่ประโยชน์ท่านั้นแต่นี้มันแค่เิ่เเิดอันนี้ส่งมันมากครับหลังจากนั้นก็ยกสมาพิจารณาสติปัญญาให้มันเกิดปัญญาว่าสติลมหายใจในะโอ้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่หมดสภาพเลยท่าที่มีอยู่คืดินก็ดีน้าก็ดีไฟก็ดีหมดไม่เหลือสี่ตัวทัตัวสุดท้ายนันหมดคือหมดจริงๆ โมตเนี้หมดแล้วก็คือธาตุเสือในขันห่าวตัอรูปมันก็เลยอแต่นามก็เวทนาแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเลยเวทนาสุขะทุกขะทุกเบิดขะจิตมันจะวางอย่างนี้เมื่อรูปมันดูไม่ได้คือร่างกามันก็เลยอแต่สี่ตัวหรือเวทนาพิจารณาเมตตาเนี่ยเขาเรียกว่าขันเสือมันก็ใส่รูปที่มันมโนคือใจ มโมดภาพภาพมันนขึ้นมานึกคือนาภาพมันจะปรากฏกอันนี้กาไปส่งไปอารมณ์จากคนที่ได้อารมณ์ี่เป็นองค์ฌานองค์ฌานคือวิตกวิจารคือถึงนุ่นวางใอกาคาตาจิตคือจิตเบียร์รวมไปอันเดียวอันนี้ที่จิตมันจะคงในรูปมะนรูปชานค่ามเดีวรูป อ, อรูป ให้พูดนี่ไปแล้วกันหนไปพรมรูปปมอรูปพรมอาจจะอยู่นานหน่อยนานกับพูดเราแต่แค่ไปสเสวยทัื่หมดก็คือหมดแต่ผมสูงกว่านั้นก็ไปต่อท้ายในจิๆๆติดอีก็ิตตึงไม่มีอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นคือรูปประชันเร็นอะรอรูปประชันเปรมดาไรก็จิตธรรมะานเพีย้ยนเป็นอาศัยรูป มันจะเป็นต้องอาศัยเพราะมันั้องมีทกเกาะเพรเวทนาซึ่งก็คัดบันณุใช่อหม่ี่เหมือนเหมันจิตกับร่างกายเนี่ยจิตมาสายกายเราถ้ามีตาจิตมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนบ้านเราอาศัยบ้านอยู่เมื่อบ้านมันพังแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เราคือจิตนะเราจะไปต่อยังไงกันไม่มีทุนไม่มีดอน นี่หนทางแล้วเจ็ตมันจะไปยังไงคนจะไปยังไงไปไม่บานนี่เกิดอะไรขึ้นไม่มีบ้านชั่งอยู่เมือ่อกลับไปบ้านมีบ้านอยู่แล้วะคือจิตมันมีที่อยู่คือโรคมันต้องอาศัยโรูปคนนี้เพราะนั้นมันเรื่องเรานี้จะเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องสําคัญสำคัญมากเลยในการธรรมดาถ้าเรายังไม่เคยฝึกในกั น, ก น, ย, าา ย, กกนยังแยกไมัออกว่ารัปนี้เป็นนามไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตาม พอใจไม่พอใจก็าตามคือตัวที่สองคืออะไรต่ววังๆเราจะไม่เข้าใจชีวิตเราจะชีวิตเราจะไม่มีทิศทางจิตเราก็มันจะไม่มีทิศทางมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบ้านมันพังแล้วถ้าบ้านคือถ้าเสี่กันท่าตัดท่าทั้งสี่คือดีน้าไฟลงบ้านมันพังถูกเราเรียกว่าต่างอะไร น, น, นจะจิตเราจะร่างเรียว่าตางซึ่งมันเป็นแน่นอน แจะเป็นวันไหนแค่นั้นเองมันจะเป็นอย่างแน่ น, นอนแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไปไหนต่อเราคือจิตแต่ลืมว่าจิตตะมรเย็นว่นาอยู่อยางนี้มั้ยถ้าจิตเรารู้แล้วเราสองพันกวีมาแล้วไม่มีอะไรที่เราไม่เคยเป็นจิต น, นี้มันหาไม่ใช่หยาบธรรมดาโดยประวัติที่ครูบอาจารย์ท่านเล่าอาจารย์ยุคเราเนะเช่นนักปุตืตินักปุชอบ รู้หรือไม่ไมว่าท่านเกิดท่านสมัยพุทธกาลที่ท่านได้ฌานได้สม บ, บัติได้อิทธิเป็นต้นท่านมีของเก่าท่านอยู่แล้วเป็นดุสย์จีภัยในสมัยพทธการเกิดท่านพูด้าพูใจช่างแต่ไม่ได้มักไม่ได้ผนอะไรเลยเห็นไหมประจิตตรงนี้ทำใหันหลงมันโมนหมะแต่ามาเกิดเวลาตั้งสองพันกวปีมาแล้วเยือนไปเป็นสารพัดเปรต ไม่ใช่เป็นผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็เป็นสัตว์ก็เป็นปเพราะนั้นเจ็ดคำของเราจะเป็นหื อ, อะไรเราเป็นมาสารคดเป็นนั้งนะเพีย้ยแต่เราไม่มียานอย่างรู้ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่รู้นี่นคือแล้วก็เอาวิชาอาวิชาติดบางปิดของเราไมาใ่ใเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็มืดมันก็ปอดแล้วก็ไม่อู่ที่ทางวันเสร็จแล้วจะไปยังไง เพราะฉะนั้นเป็นกรณีศึกษาเป็นอย่างขนาดคร อ, อาจารย์ที่ยุคปัจจุบันที่ต้องปฏิบัติจนจนเข้าใจในเรื่อง น, น่งเพราะนั้นครูอาจารย์ท่านจะมีิที่ทปติหารเยอะเช่นแบบผีแบบมาเพราะท่านเป็นรูสีสีพายท่านมีฤทธิ์มีเดชมา ก, ก่อนมีของเก่าพวกนี้ของก็มีของเก่ า, ม, ม, ามาก่อนถ้าคไม่ฟูสิเล่า น, นต่มสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ได้เกิดประโยชนอะไร ในสมาธิเข้าใจมรรผลมความอย่างไรก็ตามดูสิจิตมาสองพันกว่าปีมาแล้วหล่องเยือกเกิดอยื่งนี้เนี่ยถ้าท่านผู้รู้ผู้เข้าใจเห็นด้วยปัญญาแล้วแล้วจะเกิดธรรมะสังเวชว่าโอ้เราเรียนไหวแต่เกิดเป็นม่รู้จะเป็นอะไรมาบ้างไม่มีการเจตนไม่มีการหลับอย่างพู้เรานี่ออกจากนี้ไปยังไม่รู้จะไปไนที่ทอง เพราะนั้นถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติไม่พิจารณาไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีทิศทางสุดท้ายการเขากลัวไม่อยากตายก็เรื่องมรณะใครใครจะกลัวตายคนานก็กลัวตายกลัวตายแต่ไม่กลัวเกิดเป็นประหลาดถ้าเรดทําไมเราไม่คิดว่าตายแล้วเมื่อกี้ต้องเกิดอยีกเราจะไปกลัวทำไมเดี๋ยวเกิดแต่จะเกิดเป็นอะไร นานกับปันญหามันเกิดแน่นอนมันไม่ได้รับแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรดูอย่างผู้เจ้าเป็นตัวอย่างผู้เจ้าของเราก็เช่นเดียวกันก่อนที่เป็นผู้เจ้า่านก็เป็นมาสารแล้วครับแต่พระอนันต์ก็เช่นเดียวกันไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างเดียวเป็นผู้หญิงเป็นครึ่งผู้หญิงครึ่งผู้ชายเ็นพวกของการในนิจารณ์จอมมันก็เป็นห ภายใน ก, ก่อนจะเจอผู้ชายได้ก็เพราะว่าอธิฐาปนาปรารถนาตั้งใจปรารถนาในอดีตชาติมารู้จีตกับด้วยกันมาแล้วเป็นลูกศิษย์ลูกของเป็นสาวกพึ่งกันอะรกันกนี่คือเป็นที่มาที่ไปมันไม่ได้ว่าใครจะเป็นสาวกเป็นรูกศิษย์ลูกหาไดา้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นพวกเราราอยาประมาในสิ่งเหล่านี้ที่อยู่เสมโอโอ้กายกับใจเรามีสันแค่นีน้ เนี่ยทำไมเราไม่รู้เลยตาเปืออะไรใจเปืออะไรตาเปืออะรจิตเปืออะไรออะไ ร, รูปเปื อ, อนามคืออะไรเมื่อมันดับแล้วจะเป็นยังไงถ้าเรายังไม่เห็นการเกิดการดับของมันในขณะที่เรามีสติสมาธิปัญญาอู้ยากเลยเพราะนั้นจเจอราเจ็บรู้เจ็บจนหนักมา ก, มากถ้าไม่อะไรก็ใช้วิธีนักปิจิตรนาการว่าจิตรือรูปนามของเราเนี่ย เมื่อวันหนึ่งมันไม่สามนาทีกันเลยมันลันช่วกันไม่ได้รูกอยู่ไม่ได้น้ำมันไปต่อจบแล้วไม่ตายแต่กายมันแต่สลางไปถ่ายติดน้มไปตดนอ่บุลลงไปนี้พระเจ้าท่านบอกว่าตรงไหนที่มีกระดูกไม่ึ้นจะช้าของโลกเรามันไม่มีดูีิมันไป็นธรมดาเราเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายเพียงแต่เราไม่เห็นไม่เห็นไม่ใช่เราเองในเช่นเดียวกัน วันนั้นให้ยึดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแห่งนึกแหงคิดนในปฏิบัติมันจะได้เกิดธรรมสังเวชว่าโอ้จิตของเราเนี่ยมันทงเชื่ออะไรประตะ้่างๆทาไมมันต้องเชื่อตสางๆต่างๆเพราะว่าเราไม่สามารถแยกแยะความคิดเก่าตั ว, วาา เ, อเองแยกวาจาเธอพูด้อื่นแยกการกระทําของตัวเองมันที่เป็นวัตตะอูบนมันวนยังไงคือมันคิดเรื่องเก่าเรื่องเก่าที่ ของไม่ดีกลับมาชี้เหมือนไม่ขบวนวัฏฏะมันจบไปแล้วก็กลับมาชีดเหมือนเดิมมันสามารถจะปล่อยวางกับวัฏฏะนี่คือวัฏฏะที่ใช้จริงในแต่ละวันจะไปคิดว่าเป็นอดีตพันพันปีมาแล้ววัฏฏะมันเกิดทุกวันมันวนอยู่อย่างนี้ทุกวันมันจะไปเกิดกิเลสกรรมมีบาตร ท, ทวันเราจะไปคิดว่า ชาติหน้าถึจะเป็นวัตตะไม่ใช่ชาตินี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เน่าไหร่าคิดเราจะยังวนไปวนมาเรือเดิมนั่นคือวัตตะครับพูดก็เหมือนกันพูดดึงเข่าแล้ววนไปวนมานั่นคือวัตตะนะการกระทำไม่เช่ในกันหรือพฤติกรรมที่เราสแสดงออกไม่สามารถที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกมองตัวเงได้ไม่สามารถที่ตรับไม่ามารถทีเปลี่ยนมานี่คือวัตตะแล้วนั่นคะือพฤติกรรมวันแต่มันไม่เกิดปัญญา ปัญญาหมอนไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ความเป็นวัตถะเราไปเกิดสัญญาคือจําว่าวัตตะนกปนุตาแล้วจึงเป็นวัตตะเนื่องเพราะมันไม่เกิดปัญญามันก็ได้แต่สัญญาจะจําว่าจิตออกจากนี้มันจะเวป็นายตายเกินมันจะได้ออกวัตตะมันไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเกิดมันดับทุกวินาทีทุกนาทีมันเป็นวัตตาทุกนคือ มันจะได้แก้ไขจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเราก็เข้าใจมันนวมตะนอนหลังจากตายแล้วจริงนวมตะมันไม่ช่ภพชาติคือเหมือนกันการมมาพ บ, พบรูปพบอารมณ์จิตของเราเอางเป็นกรรมมาพบอยู่ก็เหมือนกันมันต้องไปชาติหน้าชาตินี้เย อ, ยอยู่พวกอยู่กับการมพวมันก็ปนนเป็นกรมเาบพ บ, พบารูปพบอารมณ์จิตของเราจะมีนักเข้าใจเรื่องชานิเรื่องสมาบัติเรืสมัยก่อนอย่างเช่นที่เราหลวงปู่ชอบบูตือ สามารถทำ้ำได้มารมรรคกิจภพชาติแล้ววันนั้นฉันเกิดไปรเรื่องงานเกเรื่องข่าวาท่านแล้วพวกเรายังไม่เข้าใจสิ่งนั้นในความเป็นจริง น, นีนี่คือการเป็นภพเป็นชาติด้วยการมาพบรู้พบให้ปัจจุบันนี่เหรอเพราะฉะนั้นยังไม่ทําลายเสิ่งเหล่านี้ได้ออกจากใจเราได้ออกจากจิตเรายังเข้าใจอย่างนี้นมันเป็นมิจฉาทิือนี่คือมิจฉาติโดยทง แล้วเราก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็สอนอย่นี well, said, oh, so ้พูดอย่างนี้คิดอย่างนมานานว่าวัตตนนโพนธ์ตายไปแล้จะเป็นวัตตะพบอย่างนั้งหเกิดอะไรที่เรียกว่าพบมันเกิดในปัจจุบันนี้แหละแต่เราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตไปอยู่กับเรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่อดีตจิตไปอยู่กับเรื่องอนาคตมันไม่กําหนดปัจจุบันว่ามันเป็นพบเป็นชาตินะมันเป็นวัตตะมันวนอย่างนี้นะมันไปไหนๆเพราะจิตไม่สงบ มันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าจริงปันสงก็ควรจเห็นเรื่องเหล่านี้คนไม่เห็นแล้วมันก็เป็นปัญญาเป็นปัญญาเจตวิปัสนาวิปัสนาเกิดขึ้นเรามันจะเข้าใจหลักการเหล่านี้วิธีคิดวิธีของเราก็จะเปลด่ยนนจักรวาเห็นการเกิดขึ้นตั้งแต่อาปาภพชาติมันก็จะดับมันไม่เกี่ยวกับภพไมนเกี่ยวกับชาติแล้วไมันจะไปรอชาดหน้าชาตินี้ชาดน้นมันเกิดทุกหนาชาตายนี้เดียวเกิด เกิดดับเกิดดับนิพพานคือดับเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับแต่ความคิดของเราเช่นการเห็นการกระทําำการพูดของตัวเองเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับปัญญาไม่เจริญขึ้นเห็นรู้แจ้งขึ้นต่างความเป็นจึิงแล้วก็กําหนดสิ่งเหล่านี้เนี่ยนี่คือความจริงจะเห็นว่าสัจจะถ้าใครเจอความจริงอย่างนี้เข้าใจสวาิงอ่งนี้อยู่ในกรอบวัตถุนี้จะได้ออกวิญญาณสรัคือความจริงอันประเสริฐ ตรงนี้าบอกแค่สัจจังคือความจริง เ, เกิดแก่สัตยตาย น, น, น, นี่มันก็เป็นอย่างนี้ยยคือสัจจังเปนอริยะอริยะถ้าเกิดเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การเกิดการดับะบวนการที่น้าไปต้นจนจบอ๋อเป็นพบในช า, ย า, ย า, ยาติไหนมันไม่เป็นอย่างนี้เราเข้าใจ่าพบก็คือชาติหน้าไปเรื่ยๆเป็พบได้พอจะวัฏตะอนุุนวนไปเวียนมาหรืป่ามันไม่ใช่จริงๆมันวนไปมาทุกเวลาทุกนาทีเห็นไหมเราย เรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องเดิมหรืออดีตนั่นแหละคือพราะมนวนกลับไปที่เดิมไม่เป็นไหนแน่นอนเรื่องเก่าเรื่องแก่หรือราชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ตัดไม่ได้เพราะไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะจิตไม่อยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้กำหนดปัจจุบันจิตมันไปอยู่กับอดีตแต่สติเองไม่ทันสติตามมันไม่ตามกบไปอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตเรื่องกังวลมันยังไม่ถึงยังไม่เกิดเรียกวอนาคตเขาก็ไปอยู่กับอนาคต การณ์ใปัจจุบันคนเร า, าเรื่องนั่งดู เ, เ, เดินอยู่ยืนเดินนั่งนอนที่สำคัญไม่มีสติสติไม่อยู่กับตัวเ ร, ราพูดยังไงาคือไม่รู้ตัวในสติคือไม่รู้ตัวบอกอยู่พูดสมมอว่าเมื่อเราไม่รู้ตัวทำองไรให้เรารู้ตัวเพวื่อให้เรารู้ตั ว, วเรา ม, เมื่อรู้ตัวก็เกิดตัวรู้มันจะกลับกันเมื่อ รู้ตัวขึ้นมานัรนคือตัวพุทโธไม่รู้จะเรียกว่าอะไรถ้าเกิดรู้สึกนึกว่าพุทโธพุทโธว่าเออมันรู้มันตื่นก็ตื่นจากความเป็นจริงเมื่อก่อนมันไม่เคยรู้ก็กลายไปรู้ขึ้นมาเมื่อก็มันหลับมันไหลก็กลายไปตื่นมันก็ติแใจมันก็ชื่มชื่นบ้านเข้าใจเข้าใจก็คือเข้าใจว่าตัมคืออะไรไม่าใจองค์เปรตชัดนาชัดนู้นเข้าใจพบ จี่ันเป็นอยู่กรรมาภพรู้อภพจิตในขณะนั้นมันเป็นกา ร, รมอกกาภพม่นยังพึ่งการจิตในรูปพบมันยังพึ่งรูปเสียงจิตระพธทธะอยู่มันติดในสิ่งหล่านี้ใจมันคล้องอยู่ในสิ่งหล่านี้นะคือ ก, การมอาภพทำอะไรมันคล่องอยู่ในรูปเสียงจิตระพธทธะมันก็ไม่ได้บอกกรรมาภพเพราะจิตอยู่องค์ชางเขาไม่เกี่ยวกับกรรมอาภพนะครับครับแชร์มั น, มนู่ตรงนี้นะ ชาติมันเล็กมันเช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจเรื่องพบและชาติเราก็จะเข้าใจเพราะก่อนที่เป็นชาติมันก็มาจากพบมันจึงเป็นชาติมันเกิดมัเกิดมาก็เป็นหนึ่งจึงตามมาเป็นคนด้วยเช่มนั้นม า, มาเป็นกระบวนการทั้งมันเลยตัวกาโซกาปริเทวะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งตัวกาปริเทวะชาวแกน่นเราใจทุกอย่างก็ดับคือตายในกระบวนการก็มันแต่เราไม่เห็นสิ่งเหนี้เพราะว่า เราไม่อยู่กับปัจจุบันดังั้นการปฏิบัติธรรมมันก็จะเป็นยืนเดินนั่งอะไต่อยอยู่กับปัจจุบันมันออกไปแล้วกลับไปอดีตกลับดึงกลับมาไปแล้วก็ดึงกลับมาเพราะนั่นคือไม่ใช่ความจริงถึงเป็นขาอจริงแต่ความจริงมันจบแล้วถ้าอยู่กับปัจจุบันยืนก็รู้ยืนนั่งก็รู้นั่งคิดะไรรู้พบนันต์จะบอกให้เราอยู่กับอารมณ์อันใดอันนึ้งก็คือการบริกรรมขอเองหรือ ลมหายใจก็ได้แต่ว่าต้องต่อเนื่องแต่ก็ต่อเ น, นื่องคือรู้มีสติสติเกิดเกิดสติแล้วปัญญาก็จะตามมาเข้าใจซึ่งอัุนี้ทั้งเป็นระบบเป็นกระบวนการไม่ได้เรื่องะไรเรื่หนึ่งเช่นจะพูดเรื่องอ ว, ว่าคนหรือว่ากาวหรือว่ารูปแต่ก็ต้องดีว่ากายมันมีกายอย่างเดียวไม่ได้มันจะรูปก็ต้องมีนามอยู่มีนามมันก็อาศัยรูปอยู่อย่างนี้ อย่างนี้เป็นต้นเหลือสใจนะสติปัญญาเราก็จะดีขึ้นเจริญ ข, ขึ้นการปฏิบัติธรรมก็เข้าใจกระบวนการของชีวิตเราว่าโอทำให้ตัวเองเกิขึ้นนะโอรูปร่างกายธาตสี่กันห้าของเราอันนี้มันใช้กันมานานมันเกิดเกิดจะตายมันยืนไหวตายเกิดมันอยู่จังนเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องภพเรื่องชาติว่ามันในเรื่องของชาติอาหาชาตินู่นไม่เกี่ยวกับชาติปัจจุบันมันกันเข้าจะเกิด พำลังเข้าใจใหม่ว่าพบเรื่องปรการาพบรู้พบอะไรพบมันอยู่ที่ปัจจุบันนี้เพราะนั้นทำยังไงที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะตัดสึ่งเานี้ได้วัตถะก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่ไปรอชะนาดนาที่เป็นวายเขาถุนนี่แหละเรายังคิดเหมือนเดิมอี่ยวพูดเหมือนเดิมยังทําเหมือนเดิมเ น, นี่คือวนไปวนมานี่เป็นวัตถะวัตถะที่แท้จริงในชีวิตประจําวันที่เราปัจจุบัน การขอให้เบอร์อยู่กับปัจจุบันนั่นนะประโยที่ดีมากเลยกำหนดปัจจุบันแม้แต่กอนหลับนอนก็ตามกาหนดต้องหมายใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่มันดีดีหลับไปนะหลับไปพราอมกับคนดีความดีสิ่งที่ดีดีตื่นมาก็อยู่ดีก็ไปอยู่กับอดีตขึ้นมันอยู่กับปัจจุบันมันไม่จบใน่สิ้นหลังจากนั้นหลังจากมันหลับแล้วคือร่างกายมันทํางานไม่ได้ หรือแต่ใจหรือแต่จิตนั่นนหะคือทื่มาากกักแสดงพบปูเพื่อจะไปมีพลังกัจิตตันั้นคือเป็นตัวเชื่อว่าหลังจากนั้นเขาเรียกว่าฝันหรือคืนนินมิตนั่นเองมันจะมีนิมิตนิมิตจะเกิดจากใจเราเ น, นื้ออะไรขึ้นมามันอยู่ที่ความเคยชินของเราเราเคยนึกอะไรมาบ้างเันเคยฝึกเคยสำบัดอย่างเลยแต่ถ้าเราในมิตอ น, นึงบา้านได้ก็นอนหลับ นึกอะไรขึ้นมาภา ม, นน ม, ามนันก็จะปรากฏขึ้นมาเหมือนพันธะในคือ็น้ตต่อตรงกับคามถ้าเราเกิดจากสมาธินิมิตทจจี่เกิดจากสมาธิจะเป็นภาพกระดานเสียงกรตามเปลเป็นาากรตางบวกกับบวกหานิมิตกระต่างปฏิภาคราณิมิตกระตามเย็นเรานั่งแล้วเห็นตัวเองเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในวันนิมิตก็จะไปกลัวให้ยกกันนอนทุกข์านองนอ ง, องเห็นอะไรก็แล้วแต่ให้มันชัดให้มันต่อเ น, นื่อง คุณเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็วางเรื่องเหล่า น, นั้นในสมัยพุท ธ, ธกาลก็เช่นเดียกันนะอยู่ดีๆคนเดินผ่านหน้าบ้างผ่านหน้าไว้เห็นเป็นโคมกระดูกสมองโอ้แสดง ว, ว่าท่านเคยปฏิบัติมาแล้นมาก่อนแสดง ว, ว่าอารมณ์อย่างนี้นินสัยอย่างนี้นมันเคยมีเคยเป็นมาก่อนเห็นเป็นคนอยู่ดีการเป็นโคมกระดูกสมองอันนิสงข์กันปฏิบัติอันสงข์กัอนอนดีตที่เราเคยปฏิบัติอานมันก็จะทำ พวกเราทุกคนเช่นเดียวกันมันมีที่ษฎีศาสนาพราหมณ์นาไม่เหมือนกันการที่เราเจออย่างนี้มาปฏิบัติอย่างนแสดงเราเคยมีเคยเป็นมาก่อนเคยทําหมดถ้าคนไม่เคยปฏิบัติไม่มีทางที่เขาจะต้องจําสิ่งภาวน า, ว า, มานไม่มีทางเนะคนเป็นร้อเป็นพันเป็นหมื่น 100, 000, เป็นแเป็นล้านที่จะเป็นอย่างพวกเรามันไม่มีเพราะนั้นถ้ากับภูมิใจในตัวเองนเป็นการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองเพิ่มกําลังใจให้กับตัวเองโอ้ เรานั้นกำลังอยู่ในเส้นทางที่พระเจ้าวางชี่ให้พวกเราเดินไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางเพียงแต่เราจะเดินมากเดินน้อยเดินไกลกระทำองเป้าหมายมันใกลข้ขึ้นามาหรือยัง ะ, ะเป็นการซ้อมกันเองกันด้วยเองเพราะฉะนั้นอ ย, ออนน ย, อยาพวกเราทั้งหลายจะเป็นท้อเย่าไปขอยเพราะเมื่ อ, อ, อ, อไห่มันจะถึงเอาก็เราเดินซ้อมเพื่อต่อแตะตัวเดินช้ามาเพื่เดินปัญญาเดินทางปัญญาเป็นอม มันเราเดินตัแต่ตัแต่หรือไม่เดินเลยคือปัญญาไม่เกิดเลยะมันเป้าหมายมันก็ถึงช้าแต่ถ้าเดินเร็วจิตสบายวะจิตมันเร็วมากเร็วกว่าของใดๆเนี่ยเร็วกว่าเร็วกว่าแสงพลังของจิตมันเร็วเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าพลังจิตของเราเข้มข็งเข็มค้นอย่างนี้มันก็จะไปที่เร็วมันไม่ได้ช้าอย่างอันนี้ยุทธสติ ปัญญามันเร็วขึ้นมันดีขึ้นมันมากขึ้นมันจะเป็นพลังมันจะเป็นกําลังเพระะาะด้วมีศรัทธาเป็นบทตนนแต่สุดท้ายทั้งคือปัญญาศรัทธาแล้วคือปัญญาสภาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานี่คือทางศรัทธาอย่งเชื่อเร่องไม่ได้ศรัทธาขึ้นสติมีสติเรื่องขอเพียรเพียรตอวนี้สติศรัทธาวิริยะสติสมาธิ ความมั่นคงของาอารมณ์แล้วจะมัน่นคงจึนเกิดปัญญาโู้แจ้งให้เห็ความเป็ น, น, น, นจริงมันก็จะวางสิ่งทั้งหมดทั้งปวงได้เร็วขึ้นพเพราะความที่เราเข้าใจนันคือพลังจะเรียกว่าทั้งห้ารเรียกว่าพลังเป็นพลังทำให้เราไปข้างนอกและก็ซึ่งสำกัญคือเราเรียกอินทรีย์เพราะว่าแต่ละตัวก็เขาก็จะ เป็นใหญ่ของเขาเพราะเรียกว่าอินทรีย์เช่นศรัทธาวิญญาสติสังขปัญญาพัฒติมันดีก็เรียกอินทรีย์ของสติอันดีแต่ถ้าครบหมดทุกอย่างคือศรัทธาวิริญาสติสังขปัญญาท้อมันเป็นตัวเดียวกันมาจะเป็นกําลังเป็พลังอ <IN C, S 2> ินทรีย์เพือเขาจะเก่ตัวเพิ่มขึ้นมากขึ้นเข้าใจเหตุผลและก็ความจริงที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันอันนี้การปฏิบัติธรรมงเราก็จะเร็วขึ้นดีขึ้น เราก็จะมีกําลังใจมีกําลังก็คือพลังนี่แหละตัวอย่างนักําลังใจไม่ใช่กําลังกายคนละเรื่องวันนี้แสดงเราแยกออกแล้วกําลังกายกับกำลังใจคนละเรื่องนะําลังกายก็เรื่องหนึ่งกําลังใจก็เรื่องหนึงสมมตเราไปเรล่นแค่กําลังกายอย่เดยแต่กาลังใจไม่มีเรามีเรื่องเวลาขึ้นมาออเห็นโอเพ่นโคไม่สามารถที่จะข้าม้นอุปสรรคปัญหานานาประการได้เพราะกำลังใจมันอ่อน ใจไม่มีกําลังแต่มีพลางดังนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยพลังของกายก็จะดูพลังของใจหรือพลังของจิตมันก็จะดูขึ้นแต่ต้องทำทุกวันต้อพิจารณาทุกวันไมันจะต้องขึ้นมาได้คอยมาทำมันก็จะม า, ารับยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราอยากเข้าใจเรื่องภพเรื่องวัตฏะเรื่องชาติก็เร่งให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบัน ทังเลสมอว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่มากได้แล้วเราจะเข้าใจชีวิตของพวกเราเข้าใจชีวิตที่จุบันมามนจะมีความรู้พิเศษขึ้นมามันจะเป็นมันจะรู้ของไม่เดโดยอัตโนมัตินี่เรอยกว่าญาณญาณนั้นมันจะรู้อดีตมันจะรู้อนาคต ร, รู้ปัจจุบันมวลญาณของเราจะไปปวดใครทำจะรู้คนนี้เป็นยังไงในอดีต ปฏิปทาเต็นยังไงเคยเปฏิบัติเรื่องอะไรก็จะสอนให้ตรงกับจริตนิสัยให้พวกเราจะ่าไปถึงขั้นนั้นก็พยายามทำซึ่งเหล่านี้นให้เป็นจริตให้เป็นนิสัยด้วยตนเองให้มากขึ้นมากขึ้นตระกีณาเสียชาติเกิดนนกำลังจะขออนุทนาขอดู้ค้ัเราทุากคนอย่าลืมสําคัญที่สุคือสติสวัสดิิปัญญานั้นต้องเป็นเรื่องของปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่ อดูไม่ใช่อนาคตให้เรากําหนดปัจจุบันมันจึงจะได้ผลใงการปฏิบัติขออนุโมทนาขอมียพวกเราทุกคนที่ตัง้งจิตตั้งใจมาปฏิบัติดูกศิษย์ทุกพระน้อยไม่เป็นไรขอให้เจริญสติเมื่อเราเจริญสติมันขึ้นสติก็มันไม่จะเจริญดูอัติมรรมาไม่เจริญสติสติก็ไม่จะเจริญนั่นคือธรรมชาตินะครับ ขอตนาที่อยู่กับความจริงยอมรับความเป็อนอะงรอย่างนี้ขออนุตนาในกระลจิตใจพวกเราทุกคนที่จักจิตอันนี้อย่าลืมแพ่กุศลที่เราตั้งเจิตตั้งใจอันนี้นบั น, น้บหลุดในการขอบคุณพ่อมแม่ปู่ย่าตายายผู้อุปนิสัยทั้ททงหมดคอยท่านหลางนั้นจงเป็นผู้มีสุนขางบุญคือเพื่อเอาทลาได้ก็เป็นมาทั้งหมดในเดือก็นยายนในปัจจุบันกันยานในเดือนกันยายนคอยท่านหลางนั้นจงเป็นผู้มีส่วนของบุญ ที่พกาั้ลาได้กระทามันเป็นไอ้ น, นี้ก็ขออนุโมนาขอให้กุศลนิรขอบเราทุกคนอันนี้เขาจะตีออยดกันนี้